ข้อความในเนติปกรณศึกษาเนยสมัมบทานเนยนั้นคือวิธีที่ทําให้เรารู้จักสังกิเลตและโวทานสังกิเลตนั้นเป็นความเศร้าหมองโวทานเป็นความผ่องแผ้วแล้วก็สามารถประมวลเอาทั้งความเศร้าหมองและความผองแผ้วอย่างลงสู่สัจจะทั้ง4ีนยนั้นมีอยู่5้าเนยด้วยกันเนยที่หนึ่งาเรียกว่า นันทิยาวัตนาในนิยตที่สองเตปุกคละในในิยะที่สามสีหวิกีลิตาในในิยะที่สี่ทิสาโลจนะในในิยะที่ห้าอังกุสะในในนิยตสมุทฐานนั้นจะเรียงนันทิยาวัตนาในนิยะที่หนึ่งแล้วก็แสดงสีหวิกีลิตาในควบคู่กับทิสาโลจนะใน แล้วก็แสดงติปุคละในควบคู่กับอังกุสะนิยะนั่นเราจะไม่เห็นว่าเรียงตามลำดับตางที่กล่าวไปแล้วคือทวนอีกครั้งหนึ่งการแสดงเนติปกรณ์ในในิยสมุดฐานปฏินิเทศวาระนั้นแสดงนยะที่หนึ่งคือนันทิยาวัตนาที่สองคือแสดงสีหวิกีลิตะในควบคู่กับทิสาโลจนะใน แล้วก็สุดท้ายแสดงติบุคคละในควบคู่กับอังกุษะในนี่นะมันก็เท่ากับแสดงสามชุดและจบเลยนันทิยาวัตนายนั้นแสดงมูลบท4ี่ประการนี่นะโวทานโวทานเท่าไหร่โวทานสองสังกิเลสสองสังกิเลสของนันทิยาวัตนายคืออวิชากับตันหาโวทานของ นันทิยาวัตานายมีสองคือสมถะกับวิปัสนาการที่เอาอาวิชชาตันหาสมถะวิปัสนาอย่างลงสู่อริยสัจ4ี่ประการนั่นเป็นลักษณะของนันทิยาวตาัตนายส่วนิดปุขละในเนี่ยนะในยะที่มีความงดงามสามประการก็ยกเอาสังกิเลสสามวัวทานสาสังกิเลสสามคือ โลพะโทสะโมหะเนี่ยนะโวทานสก็คืออโลพาอะโทสะอโมหะการเอากุโุลมูลอกุศลมูลทั้ง6ประการเหล่านี้อย่างลงสู่สัจจะทั้งสี่นั่นเป็นลักษณะของเ<ม>ตปุกขละในส่วนสีหวิกีลิตะในก็คือการเอาสังกิเลสคือวิปปาราส4แล้วก็อินสีสีที่เรียกว่าวทาน อวิปัาสีอินทรมาสงเคราะห์อย่างลงสู่สัจจะทั้งสี่นั่นเป็นลักษณะของสีหวิกีลิตะในโดยสรุปโดยย่นย่อแต่ความพิสดารความพิสดารที่เราได้ฟังไปบ้างแล้วเมื่อวานนะเพราะว่ามีการกล่าวถึงที่สาธรรมสีหวิกีลิตะในเนี่ยนะมีที่สาธรรมอยู่กี่ประการ สประการด้วยกันเนี่ยนะสประการมีอะไรบ้างก็คือยกธรรมะหมวดสี่มานั่นเองนะยกธรรมะหมวดสี่มานั่นเองเนติปรกรณ์หน้าหนึ่งร้ี่ข้อแปดส้ากล่าวถึงที่สาธรรมเนี่ยนะที่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สนั่นแหละอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งถ้าดูตามตารางอ่ะนะกลุ่มที่หนึ่งมีอะไรบ้าง ก็มีกับพลิงกระหานโสภาวิปลาสกามุปาทานกามโยคะอภิชากายะขันธะกามาสวะกามโมคะราคะสัละวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปฉันทากติและก็อุปกิเลสของราคะจริญอันนี้เรียกว่าที่สาที่หนึ่งเนี่ยนะส่วนที่สาที่สองผัสส า, าหานสุขาวิปลาสะวุปาทาน ภวาวะโยคะพยาบาทภวาวะสวะภวาภ ว, าอาภวาาสะอ่าาวคะโทสัสละวิญญาณทิติที่เข้าถึงเวทนาและโทสาคติส่วนที่สาธรรมที่สามคือวิญญาณอาหารนิจวิปปลา่าที่ถูก ป, ปาทานทิิโยคะศีลพาตะปรามาสะกายคันทะทิฐาวะทิโธคะมานะสัลละ วิญญาณทิติที่เข้าถึงสัญญาพยาคติอันนี้ก็เป็นที่สาที่สามส่วนที่สาที่สี่ก็คือวิญญาณนาหะมโนสัญเจตนาหานัตตวิปราอัตวาทุ ป, ปาทานอาวิชายโยคะอีทางสัจจพินิเวสกายคันทะอวิชาอาวิชโชคะโมหสัละวิญญาณทิติที่เข้าถึงสังขารโมหคติและ นะอันนี้ก็เป็นที่สาธรรมที่เรากล่าวนั้นเน้นกล่าวเฉพาะกรรมกิเลสที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏก่อนนะยังไม่ได้กล่าวถึงธรรมะที่ออกจากสังสารวัฏอะไรเลยกล่าวถึงลักษณะของคนที่อยู่ในจริตต่างๆนะที่สาที่หนึ่งที่สาที่หนึ่งนั้นเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้เป็นปราคะเจริ เห็นว่าบุคคลผู้เป็นราคะเจริตนั้นความปรารถนาของเขาเน้นที่ไหนเน้นที่กับพลิงกราหานกับพลิงกราหานนั้นเป็นต้นเหตุของรูปทั้งหมดเลยพันธาบอกว่าเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดพันธากล่าวกับพลิงกราหานก็เท่ากับกล่าวรูปทั้งหมดนะผลของรูปทั้งหมดก็คือความงดงามใช่ไหมพวกนี้ก็ติดในมีความวิปลาสคลาดเคลื่อนเข้าใจว่างาม คนนี้ก็ยึดถือด้วยการมุปาทานผูกไว้ด้วยการ ม, มโยคะถูกร้อยรัดไว้ด้วยอภิชากายคันทะหมกมุ่นหมักดองอยู่ด้วยการ ม, มาสวะถูกกรมโมคะท่วมทับถูกลูกศรคือราคะทิมแทงวิญญาณทิติคือจิตใจของเขาโคจรอยู่กับรูปทั้งหลายจิตใจก็ท่องเที่ยวอยู่กับรูปตั้งอยู่กับรูปโดยมากก็เป็นคนที่มีฉันทาคติลำเอียงเพราะความรัก พ น, นี้ก็เห็นแก่เห็นแก่รูปก็ยอมทำได้ทุกอย่างพวกนี้เป็นคนราคะจริตนนะราคะจริตโดยพื้นฐานคิดง่ายว่าใครคิดถึงรูปบ่อยคนนั้นราคะจริตใครคิดถึงอาหารบ่อยคนนั้นก็ราคะจริตใครใส่ใจแต่เรื่องความงามพวกนี้ก็ราคะจริตนนี้ลักษณะของความเศร้าหมองของคนราคะจริต บุ ก, กลมคนไม่ใช่น้อยที่เป็นคนราคะจริตงั้นธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะสิบหัวข้อเนี่ยพูดตรงใดตรงหนึ่งที่ประกาศ น, นะเช่นว่าเขาติดใจในเรื่องของอาหารติดใจในเรื่องของความงามหรือพูดถึงแต่เรื่องรูปบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนราคะจริตเท่ากับเป็นการศึกษาจริตเนี่ยนะศึกษาจริตด้วยแล้วก็ธรรมะทั้งสิประการเนี่ยนะ กับพลิงกระหานก็คือสุภาพวิปลาสนั่นแหละสุภาพวิปลาสก็คือกามุปาทานกามุปาทานก็คือการมโยคะการมโยคะก็คืออภิชากายะคันธะอภิชากายคันธะก็คือการมาสวะกามาสวะก็คือการโมคะการโมคะเนี่ยนะก็คือราคะสัลละราคะสัลละก็คือวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปก็คือบุคคลผู้อยู่ในฉันทาคติลำเอียงเพราะความรักนั่นนะ อคติเนี่ยแปลว่าไปคดเนี่ยไปไม่เสื้อไปไม่ตรงไปไม่เสื้อไปไม่ตรงไปด้วยความคดที่เราเรียกว่าลำเอียงเนี่ยด้วยอำนาจของความรักนั่นเองถือราค่านะอย่างที่เนติ ป, ปรกรณ์หน้า140ที่กล่าวว่าบรรดาอาหารเป็นต้นเหล่านั้นสูตรเสบเหล่านี้คือกะเพริงกราหาน ความเห็นวิปลาสว่างามในสิ่งที่ไม่งามกามุปาทานกามโยคะอภิชากายคันทะกามาสวะกามโมคะราคะสละวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับรูปการถึงฉันทาคติมีอัดเหมือนกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นธรรมะเหล่านี้เป็นอุปกกเดตของบุคคลราคะจริตที่เจงก็อย่างว่านะสิบคำนี่จะพูดคำไหนก็ได้ ต่างกันแค่คำพูดส่วนภาษาหารความเห็นวิปลาสว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ภวปาทานภาวโยคะพยาปาทากายคันทะภาวาสวะภโวคะโทสะสัลละวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับเวทนาการถึงโทสาคติทั้งสิบข้อนี้มีอัฏฐะเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะพันทะา คนที่มีความสามารถในการกําหนดจดจำเนี่ยนะถ้าพูดอันใดอันหนึ่งในสิบคาเหล่านี้ก็ถือว่าสิ่งเดียวกันพูดภาษาหารก็ถือว่าจบลงที่โทสาคติหรือพูดภวาสะวะก็คือวิปลาดว่าเป็นสุกนั่นแหละส่วนอาหารต่อไปวิญญาณอาหารความเห็นวิปลาดว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ถูกปาทานทิ่ถิโยคะ ปรามาสกายคันธะนะชื่อเต็มยศเขาก็คือศีรพตาปรามาสกายคันธะภาวาสวะทิโทขคะมานะสละวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับสัญญาการถึงพยาคติโง่เขางมงายเนี่ยนะอขออภัยความขาดกลัวพยาก็คือพยะภัยกลัวนะการเข้าถึงความกลัวทั้งสิบประการเหล่านี้มีอัตมเหมือนการต่างกันแต่เพียงพยัญชนะต่างกันแค่คําพูดความหมายเหมือนกัน พันถ้าเราพูดว่าคนที่ลำเอียงเพราะความกลัวพยาคติเนี่ยนะไปคดเพราะความกลัวก็แสดงว่าพวกนี้ชอบบริโภควิญญาณอาหารนีนะบริโภควิญญาณอาหารถูกมานะนี่ครอบงําท่วมทับเนี่ยนะถูกลูกสอนคือมานะเสียดแทงเพราะว่าสิบคานี้ต่างกันแค่คําพูดธรรมะในระดับเนติปรกรณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นธรรมะกลุ่ม การแสดงธรรมะแบบประมวลพรานใครที่บางคนเนี่ยอยากจะเข้าใจให้มันทุกคําให้มันเข้าใจไปทุกพยัญชนะไปหมดแล้วก็ไปไล่เรียนไล่เรียนสะปวดหัวหมดเลยนะทีนี้ถ้าบางอย่างเนี่ยนะ <c oughs> เราจะเข้าใจบางอย่างให้ดีๆเนี่ยแค่คําอันหนึ่งเนี่ยนะเข้าใจอันหนึ่งอีกสิบคาก็ถือว่าเข้าใจแล้วเพราะมันเรื่องเดียวกันเพราะนี้เขาจะใช้คํามาโหกี่ถังกี่ถัง พิ ม, พมกี่หน้ากี่หน้าก็เชื่อได้มาคาเดียวก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าคําที่เหลือมันก็มีความหมายเหมือนกันนั่นแหละอย่างเช่นมโนสันเจตนาหารความเห็นวิปลาสว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาอัตวาทุปาทานอาวิชายโยคะอีทางสัจจาพินิเวสกายคันธะอวิชาสวะอวิโชฆาโมหสันละวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับสังขารการถึงโมหคติ ธรรมะทั้งหมดทั้งสิบข้อเหล่านี้มีอัตตะความหมายเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะพูดให้มันต่างกันเท่านั้นแหละแต่ใจความสาระสำคัญก็เหมือนกันน่นะในบรรดาสิบข้อเนี่ยใครเข้าใจคําหนึ่งก็ถือว่าใช่ได้แล้วถือว่าใช่ได้เพราะว่าเราคงยังไม่ได้เรียนถึงขนาดเอาไปปาตกะกะาที่ไหนมั่งเนาะ หลายคนนี่ฟังธรรมเนี่ยโดยเฉพาะธรรมะกลุ่มเรานี้กลับเป็นเป็นผู้ที่เรียนแล้วก็หนักใจไอ้ที่เรียนที่หนักใจเนี่ยก็เพราะว่าตั้งจิตเอาไว้ไม่ถูกเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรมถามว่าเราควรตั้งใจไว้อย่างไรเนี่ยนีตั้งใจไว้ศึกษาเพื่อความคุ้นเคยเสพคุ้นบางอย่างก็นู่นแหละยี่สิบสาสิบครั้งไปแล้ว ถึงใครจำได้หมดก็ไม่ได้แปลว่าเข้าใจหมดถึงใครแปลศัพท์ได้หมดก็ไม่ได้แปลว่าเข้าใจได้หมดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จนกว่าเราจะความรู้ทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในชีวิตจริงได้เมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเริ่มเข้าพอจะเข้าใจถ้ายังอยู่ในตำรายังอ่านเข้าใจตามตัวอักษรบอกตรงตรงว่าอีกนานอีกนานที่จะเอามาใช้ในชีวิตจริงได้เพราะจนเรียนจนกว่าจะมา ความรู้เหล่านี้อยู่ในชีวิตที่เป็นจริงนะเห็นชีวิตที่เป็นจริงเมื่อไหร่ก็ระลึกถึงคําสอนเหล่านี้ได้หมดเลยไม่วิปลาดไม่คลาดเคลื่อนไม่เข้าใจผิดถ้าอย่างนี้นั่นแหละจึงจะเอาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในช่วงของการเรียนการฟังการศึกษาเราก็ฟังเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลว่าพระธรรมเหล่านี้เราจะเอาไปเจริญเอาไปปฏิบัติได้อย่างไรที่เราฟังอย่าง น, นะฟังรู้ว่าพวกเหล่านี้เป็นปริญยยธรรมกับเป็น ประหาตรตปธรรมเนี่ยนะก็ถือว่าควรจะดีใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจกละเนี่ยนะนะทีนี้การที่จะละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยละได้อย่างไรละได้อย่างไรมาดูข้อปฏิบัติเพื่อเป็นหนทางแห่งการละออกจากสิ่งเหล่านี้โดยวิโมกมุกวิโมกมุกก็คือมุขก็คือหนทาง หรือแนวทางแห่งความหลุดพ้นมุกบางทีก็มุกก็คือประตูนะประตูแห่งความหลุดพ้นมีอยู่สามประการด้วยกันก็คือห น, นะ น, นึ่งอ่ะนะหนึ่งอัปปนิหิตาวิโมกสองอนิมิตาวิโมกสามสุญญาตะวิโมกทางแห่งความหลุดพ้นคืออัปปนิหิตาวิโมกอนิมิตะและสุญญตะอนิมิตะนี่นะอัปปนิหิตะ ขอโทษทีอปปนิหิตะนั้นหมายถึงว่าไม่มีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาอนิมิตะก็คือไม่มีเครื่องหมายสุญญตะก็คือความว่างวิโมกมุกก็คือการหนทางแห่งความหลุดพ้นโดยไม่มีความปรารถนาอา น, นิมิตะวิโมกมุกก็คือหนทางแห่งความหลุดพ้นโดยไม่มีเครื่องหมาย สัญญาตาวิโมกมุกก็คือแนวทางแห่งการหลุดพ้นโดยความว่างพูด ภ, ภาษาสักเข้าใจายากเลยนะจริงๆก็อปปนิหิตาวิโมกก็คือทุกขานุปัสสนานั่นแหละอั น, นิมิตาวิโมกก็คืออนิจจานุปัสสนาสัญญาตาวิโมกก็คืออนัตตานุปัสสนาคือวิโมกมุกเนี่ยแบ่งออกเป็นระดับวิปัสสนากับระดับอริยมรรคเนี่ยนะ อ น, นิจจานุปัสสนาเป็นปัจจัยแห่งอ น, นิมิตตวิโมกอ น, นิมิตตวิโมกนั่นแหละเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคที่ชื่อว่าอ น, นิมิตตวิโมกโดยมีอ น, นิมิตตนิพานเป็นอารมณ์เป็นต้นย้อนมาดูตามลำดับว่ากะพลิงกระหานและผัสสหานย่อมถึงความเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดรู้ด้วยอัปนิหิตวิโมก อปนิหิตาวิโมกทวนอีกครั้งคือการเจริญทุกขานุปัสนาผู้ที่เจริญทุกขานุปัสนากําหนดรู้กับพลิงกราหานและผัสสะหานเพราะว่ากับพลิงกราหานกับผัสสะหานเป็นปริญญยธรรมเป็นธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้กําหนดรอบรู้โดยใส่ใจโดยความเป็นทุกข์เพราะว่าถ้าหากว่าไม่คิดว่ากับพลิงกราหานเป็นทุกข์ ไม่คิดว่าภาษาหารเป็นทุกข์เราจะเบื่อหน่ายในกับพลิงกราหารไหมเราจะเบื่อหน่ายในภาษาหารไหมนะมันก็มีแต่สแสวงหากับพลิงกราหารคําว่าทุกขานุ ป, ปัสสนาเนี่ยนะทุกขานุ ป, ปัสสนาอัปนิหิตาวิโมกก็คือการใส่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับพลิงกราหารเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไหม เราก็มาดูว่าคนที่ไม่ใส่ใจกับพลิงกราหานโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะพวกนี้นึกถึงแต่อาหารไปที่นั่นจะทานอะไรไปที่นี่จะทานอะไรจะกับพลิงกระหานก็คือการบริโภคมหาพูดจะไปสูบมหาพูดต่างที่ต่างๆมาได้อย่างไรเนี่ยนะวั น, นี้ก็มีแต่ความคิดว่าจะไปกินผักกินใบไม้กินผลไม้กินข้าวขนมเป็นต้นก็คือความต้องการแต่กับพลิงกราหานไอความต้องการกับพลิงกราหานเหล่านั้นเนี่ยนะ ก็ด้วยความอริจอร่อยแต่ณนะที่นั้นมีความทุกข์อยู่ด้วยเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ด้วยทุกข์ไหนบ้าง อ, นนะอาหารนำมาเสื่องอะไรบ้างก็ติดตามที่ารนาไปนะจะรู้ว่าอาหารที่เราบริโภคเนี่ยนะนะนะที่สุดของอาหารอยู่ที่ไหนก็บริโภคเพื่อถมห้องน้ำนั่นแหละ ในนายหนึ่งเพื่อเพิ่มพูนไขมันผมขนเล็บฟันหนังอีกนายหนึ่งกับผลิงกระหานที่บุคคลแสวงหาแสวงหาด้วยกายสุจิริฏวจีสุจริมโนสุจริตใช่ไหมโดยมากบอกไม่แสวงหากับผลิงกระหานด้วยกายะทุจริฏวจีทุจิริตและมโนทุจริตเชื่อไหมว่าอาหารทุกถ้วยที่เราบริโภคเนี่ยผ่านการล่วงอักุศลกรรมบดมาเท่าไหร่ดีไม่ดีเราบริโภคไปเพื่อเจอไปก็ เอาไปอามาบางทีก็ล่วงอกุศลกรรมบดด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าล่วงอกุศลกรรมบทแล้วจะไปไหนอาหารเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีอาหารถ้วยนี้เป็นอารมณ์ชาติหน้าควรเกิดที่ไหนดีที่ไหนดีอาหารที่เราโปรดปรานมากที่สุดเลยนะมีถ้วยนั้นแหละเป็นอารมณ์ด้วยความอริดอร่อยมากเกิดที่ไหนดีก็คิดเอาก็แล้วกันว่าใครทําคิดยังไงกับอาหาร คิดด้วยกุศลหรือคิดด้วยอกุศลอกุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์กุศลก็ให้ผลเป็นสุขเป็นต้นทงนั้นกับพลเลีงกราหานเนี่ยเกิดจากอย่างเช่นกับพลเลีงกระหานที่เราเรียกว่าเนื้อเรียกว่าปลาเป็นต้นกว่าจะมาเป็นอาหารแบบนั้นก็ผ่านปานาติบาสถ้าเป็นอาหารพวกขนมนมเนย อ, อย่างอื่นเป็นต้นก็ผ่านอธินนาทานเป็นต้นทงนั้นอาหารเหล่านั้นก็บำรุงบำเรอเพื่อเสริมเพิ่มกาเมสุมิชฉาจาร ในที่สุดก็ไหลไปสู่กองทุกข์เราจะบริโภคอาหารสักปานใดก็ตามก็คือก็คืออยู่ในโลกของดินน้ำาไฟลมแล้วก็ติดพันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าดินน้ำาไฟลมเพิ่มพูล ด, ดินน้ำา ไ, ไฟลมเนี่ยนะกับพลิงกระหานเนี่ยเป็นตัวที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายที่พระองค์ตรัสว่ากายนี้เป็นที่ประชมแห่งมหาพูดคือดินน้ําไฟลมเนี่ยนะ มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟันอยู่เป็นนิดแต่ก็มีความกระแจกมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีไม่ใช่เป็นดังหัวฝีมันเป็นหัวฝีเลยแล้วนี่ยเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนนะ ถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆท่านก็จะเบื่อหน่ายในกายพันผู้ที่กําหนดกับพลิงกราหานก็เท่ากับเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเท่ากับเจริญผมขนเล็บฟันหนังเพราะว่าอาหารทุกชนิดผลของอาหารก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอันที่สุดของอาหารเนี่ยนะก็คือออกมาเป็นอาการ32 ถ้าไข้ครวญโดยมากๆแล้วจะรู้ว่ากายเหล่านี้คือตัวตั ว, ตวทุกข์ น, นะเลี้ยงอย่างดีขนาดนั้นก็ยังเจ็บยังไข้ ย, ยังป่วยสแสวงหาอาหารให้ครบถ้วนทุกหมู่ขนาดนั้นก็ยังลำบา ก, ก น, นะกายนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วนี่ต่อไปผัสาหารภาสาะหารการที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีสุขภาพดีสุขภาพดีก็มีตาหูจมูกลิ่นกายใจใช่ห ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่ออะไรเพื่อบริพัสดะนะมีตาเพื่อจะได้สัมผัสทางตามีหูจะได้สัมผัสทางหูมีจมูกจะได้สัมผัสทางจมูกมีลิ้นก็สัมผัสทางลิ้นมีกายก็สัมผัสทางกายมีใจก็เนื้อคิดไปเรื่อยขณะที่สัมผัสในแต่ละทวารก็เรียกว่าผัสส า, ารเพราะนามาซึ่งอะไรผัสสะทางตานามาซึ่งสุขทุกข์และอุเบกขา ภาษะทางหูนํามาซึ่งสุขทุกข์และอุเบกขาภาษะทางจมูกก็นํามาซึ่งสุขทุกข์และอุเบกขาภาษะทางลิ้นทางกายทางใจก็นํามาซึ่งสุขทุกข์และอุเบกขาภาษะใดที่เราเรียกว่าแม้สบายเหลือเกินดีมากดีมากที่ได้เห็นเชื่อไหมว่าไอ้ดีอันนั้นแหละจะน้ําตาในภายหลังจะเสียใจในภายหลังเราบอกโอ้ดีเหลือเกินที่ได้ฟังไอ้ที่ว่าดีนั่นแหละดีแล้วก็ เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อีกต่อไปเพราะผัสสะเนี่ยนะทุกผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาทุกทวารเลยทุกทวารและทุกอารมณ์เนี่ยนะจึงอยู่ขณะนั้นอาจจะสุขแต่ต่อไปก็เดือดร้อนต่อไปก็เป็นทุกข์เพราะผัสสะทุกผัสสะนำมาซึ่งทุกขะทุกบ้างนำมาซึ่งวิปรินามทุกบ้างนำมาซึ่งสังขารทุกบ้างนำมาซึ่งสังสารทุกบ้าง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 กับพลิงกราหานเพื่อเพื่อเพิ่มพูนอะไรเพิ่มพูนรูปนะกับพลิงกราหานเพื่อเพิ่มพูนนามรูปนามรูปจะได้เจริญเติบโตด้วยอาณตนะกจะได้สแสวงหาผัสส า, าหารสรุปว่าที่สุดของผัสสาหารทุกอย่างก็ชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาสรุปว่ากองทุกทั้งมวลเนี่ยนะเกิดด้วยอาการอย่างนี้การที่พิจารณาอาหารทุกอาหารผัสสะทุกผัสสะจบลงที่ กองทุกหมดเลยทุกเหล่านั้นไม่ว่าจะโสกะปริเทวะทุกขโทมณนัตอุปาญาตใคร่ครวนอย่างนี้จนถึงความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าอัปปนิหิตะวิโมกพันธาปรารถนาจะออกก็ต้องออกด้วยอัปปนิหิตาวิโมกพะนธุ์ข้อปฏิบัติเพื่อออกจากขปลิงกราหานจากผัสสะหานก็คืออัปปนิหิตะวิโมก นี่ต่อไปส่วนวิญญาณอาหารและมโนสัญเจตนาหารย่อมถึงความเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดรู้ด้วยอนิมิตตาวิโมกคืออนิจจานุปัสนาเนี่ยนะตามเห็นความเป็นของไม่เที่ยงของวิญญาณและของมโนสัญเจตนาหารอย่างจิตทั้งหลายเนี่ยนะถึงความเป็นสภาพไม่เที่ยงเรารู้ได้ยังไงว่าวิญญาณทั้งหลายไม่เที่ยงก็รู้สิว่าจากักขูวิญญาณก็อย่างหนึ่ง โสตวิญญาณก็อย่างหนึ่งคานาวิญญาณก็อย่างหนึ่งชิวหาวิญญาณก็อย่างหนึ่งกายะวิญญาณก็อย่างหนึ่งมโนวิญญาณก็อย่างหนึ่งหันวิญญาณเนี่ยแต่ละทวารก็ก็คนละวิญญาณไปแล้วจึงรู er, ้ว่าวิญญาณนี้ไม่เที่ยงวิญญาณทางตาที่รับรู้คนลสีก็ก็ถือว่าคนวิญญาณรับรู้เสียงคนละเสียงก็คนละวิญญาณรู้กลิ่นคนละกลิ่นก็คนลวิญญาณรู้รสแต่ละรสก็คนละวิญญาณ รับกระทบสัมผัสทางกายก็คนละวิญญาณ น, นึกคิดทางใจก็แต่ละเรื่องก็คนละวิญญาณไปเพราะฉะนั้นโดยทวารหรือโดยอารมณ์โดยสัมปยุตธรรมโดยขณะโดยเวลาเป็นต้นเราก็รู้ว่าวิญญาณ น, นั้นเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเลยเฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้พระองค์ก็จำแนกว่าอะไรจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุง้งซ่าน จิตเป็นมหัคตาจิตไม่เป็นมหัคตาจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยนะจิตเป็นสัุตระจิตเป็นอนุตระเป็นว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอันาจำเนกจิตเหล่านี้โดยทวารว่าจิตทั้งหลายที่เกิดแต่ละทวารจิตทั้งหลายที่เกิดแต่ละอารมณ์ก็จะเห็นว่าจิตทั้งหลายคืออะไรก็คือมายากลดีๆนี่แหละ